สิบตรงกับปันทียีสิ ไม่มีที่สิ้นสุดจนกว่าจิตใจของเราจะหุดพ้นเป็นพระอริยบุคคลขั้นสูงสุดนั่จึงจะจบแต่ถ้าว่าพวกเรายังตงกว่านั้นอยู่ท่านจะว่าเป็นพระเสถเส่ า, สาแต่ว่าผู้ยังศึกษาอยู่พระเสถแตว่าผู้ไม่ต้องศึกษาแต่ว่าจบบริบูรณ์แล้ว ไม่้ือกสอนของพระพุเจ้ามเรียบเทียบโลกทางโลนจะปริญาหลายๆคะแนก็ยังไม่จบคะแนนี้ยังคะแนนนั้นคะแนนนั้นยังคะแนนนั้นแต่ทา ส, สอนของพระพุทธเจที่พวกเราปฏิบัติจบแล้วันคือบริบูรไม่มีที่จะต้องเรียบอีกแล้ว แต่ว่าจบบริบูรณ์มันจบที่ไหนจบที่ใจเพราะต้นตอของเรื่องราวทั้งหลายอยู่ที่ใจในเมื่อรู้แจงเห็นจริงในจิตใจแล้วไม่ต้อเรียนที่อื่นอีกเพราะมันจบแล้วบริบูรณ์แล้วไม่เหมือนทางโลกแต่ทางโลกม่นจบคะแนนนี้อย่างคะแนนนั้นจบคะแนนนั้นอย่างขะแนนนี้จบภูเขาลูกนี้แล้วจากภูเขาลูกนั้น กับภูเขาลูกนัอย่างภูเขาลูกนั้ น, น, นมันเยอะที่จะต้องไปศึกษาแต่ละภูเขาเนีก็ไม่เหมือนกันอีกทรัพยากรในภูเขาเป็นภูเขาเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันอันนี้ตัวเราเรียนทางโลกแต่ส่วนเรียนธรรมะทางด้านจิตใจนั้นใจนึกคิดเรื่ อ, อะไรปองทุกสารเรื่องอะไรหลักใหญ่ๆก็คือวิชา ราคาโทรศัโลกโกตรงพูณไม่โลกโกรธลงราคาโทรศัโมหะลง ก, ก็คือโมหะตัวเดียวไปถ้าว่าเรียนรู้ตกตัวโมหะตัวเดียวนัน้น มันออกมาจากใจด้วยใจด้วกานทำนั้นเพราะนั้นพวกเราศึกษาในดนไดฟังธ ร, รมเทศนาของพ่แม่ครูบาอาจารย์ดีนพุทธประวัติคนดีจะเป็นแนวแถวธรรมะหดิของครูบาอาจารย์ดีและหลายแนวทางที่พวกเราได้ศึกษา ได้ฟังแล้วก็ได้นำมาประพฤิปฏิบัติปรปัปรุมกายว่าจายใจของพวกเราอันนี้แปลว่าเป็นผู้ศึกษาค้นคว้าไว้เวราหาแนวทางจะทำอย่างไรจริงจังตัดเจตตักรายออกจากวัฏจักคือความเกิดแก่เกิดตายของพวกเราดังที่พระพุทธเจ้าที่ท่านรู้ท่านเห็น ศึกษาให้ดีเมื่อพระองคเป็นศิทิธ ศึกษาในพุทธประวัติพระพุทธองค์ในปีนาณาหลายขั้นตอนอันดับแรกไปเห็นความแก่ความเจ็บเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายอันนี้แตลว่าเป็นพื้นฐานมาแล้วแล้วก็เห็นสมณะคือนักบวชที่เป็นคนทางเป็นคนแจที่จะบ ไขไปสู่มรกผลและผลิตผลไปสู่อนทางกับเจริธรรมเพราะว่าสมณะคือหนักบวญท่านดูตามลำตำเป็นผู้คุ้นชิดในเรื่องต่างๆไม่ยุ่งเหยิงุ่นวายกับภายนอกแต่พระองค์ตุ้นวายไม่รู้เรื่องอะไรต่อเรื่องอะไรราชการกานเมืองทั้งส่วนตัวทั้งส่วนรวมบททุกอย่างพอปกปองประเทศชาติอยู่ในพระองค์ทั้งหมด ต้องฝึกขัดฝึกซ้อมการเป็นอยู่ทุกอย่างพระองค์คิดว่าถ้าอยู่อย่างนี้ไม่มีโอกาสที่จะค้นคว้าศึกษาหาวนทางชูมงคลนิพพานรสู่ที่จะหนีออกจากเ ก, เกิดเกิดตายนี้ได้เนี่ยเป็นอันดับแรกจากนั้นวันที่พระองค์เฉลยพรกไปบวดพระองค์มื่อมีเต็มเปี่ยมเพราะว่าความคิดของพระองค์นั้น เข้ามาคิดดูเวลาใดเห็นคู่คนทั้งหลายหรตัวพระ อ, อง์เองที่ประมวลมาทั้งหดทั้งปู่ย่าตายายพี่พระ อ, องค์จ็ชั่วโคตอย่างที่ว่าจนมาถึงพระ อ, องค์ท่านเหล่านั้นไปไหมนมีแต่รวงหายตายจัดไปด้วยกันแต่นี้เข้ามาจะไหลเข้ามาูพระ อ, องอ์ีนี่หละพระ อ, องค์ พิจารณาดูด้วยเหตุด้วยผลด้วยหลักความจริงทุกอย่างจากพระองค์มองเห็นผู้ที่อยู่รอบข้างรอบด้านของพระค์ถึงจะเป็นญาติโกหัติกรารโมนบนาลีทั้งหลายที่อยู่ไกลโพงค์พระองคมองไปที่ไหนเห็นเป็นป่ายช้าทั้งหมดเพื่อเห็นความตายอยู่เบื้องหน้าในวันที่โพระค์จะเฉลี่ยบวชนั้นพองจึงมองเห็น สิงเราในลัทธิสิอบด้านของระองรบข้างของโปงเห็นเป็นปาชาทั้งหมดจะเขา้าถมทิวท่วน์ที่นี่บุญหวายโนที่นี่ขัดข้องที่นี่เป็นปาชาผีดิทั้งหมดจากนั้นโปงได้ตัดสิประถ่ายอย่าง แ, แน่วแอกเมื่อขาออกไปแลบขาจะไม่หหิไม่ตกปนเวีนกลับมาอีกแน่นอข้าไปเจา้าจะหนีไปจะไม่กับมาเด็ดขาดโป่งตัดกระถ่ย อย่างเชื่อขาดจะเป็นตายไรยได้ยังไงก็จะไม่กลับมาเด็ดาดในพระทัยของพระค์พระรองค์งได้ออกไป่พระองค์ยังแบงรับแบงสู้อยู่มาคาราเจ้าออกไปแล้วทําไรประสบความเ็จารเจ้าต้องกลับมาอะไรพระองค์คงจะใจพระองค์พระงจะไม่เนวแน่อีกสักวันหนึงอีกสักเพี้ยวนาทีหนึ่งก็คงจะเจริแต่ก็คงจะเดเข้ามาเป็นหนึ่งเป็นสองเข้ามาพระองค์ก็คงจะ 忠诚，对朋友奶奶不太恐怖。 พคุณคิดขึ้นมาว่าเราจะออกไปทำอะไรถ้าเราดูเนี่ยเรางคังจะได้เป็นพระเจา้าแผ่นดินเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิปกครองทั่วประเทศโดยธรรอันนี้เปความคุคิดของพระองค์อีกเหมือนกันแต่ที่พระองค์บอกว่าทานุตรสัมมาสัมโพธิญาณพระโพธิญาณที่เราจะได้ตัดสุดนั้นเหนือกว่าเพราะแล้วหลตัดบอกมาแล้วเราจะหวนกลับไปทำไมอันนี้พระองค์ก่อนพระภัยเด็ดขาด เป็นสองสามขายักเข้าไปอีกเหมือนกันจากนั้พระองค์กไปถึงแม่น้ำมณโฑมานาทีเจตเนตรกรุงตะเกส่าตัดธโมดีก็เป็นนักฟักนักบวชองที่พวกเราได้ศึกษาอันนี้ก็คือโฉนดนหน่งไทวันจุดนี้ก็คือตรงที่ว่าพระพุทธเจ้าจะนิ่งออกจากเมียงวังที่พระองค์มองเห็นแล้วหันหลังออกจากเวียงวังเป็นการตัดสินใจครั้งเด็ดขาด ถ้าพวกเราิจารณาด้วยเหตุผลแล้วเพราะเราจะไม่ปรับมาอีกเราเห็นเป็นเทพบุตเป็นประชาชนทั้งหมดนี่หลคือจุหนึ่งที่สิทธิและพระพุทธเจ้าของเราที่ทำเด็ดเดี่ยวถ้าว่าท่านไม่เด็ดเด็กเดียวอาถรรแล้วท่านก็คงจะไม่เป็นอย่างพวกเราคงจะเป็นเล็กแล ศาสนาตกลับพระพุทธเจ้าอันนี้เคยเจุดกนึ่งจุดที่สองเทียบพวกเราน่าศึกษาประจุดที่พระพุทธอง์ได้บำเพ็ญสุขกัรมจริยากดประกาศงารถึงสี่สิบเ้าวันจากนั้นพระองค์ได้ฉันอาหารหนางข้าวบรรจุประยาตนางสูุชาดาจากนั้นพระองค์ได้จอยถางถ้าว่าข้าไปเจ้าบ ร, รมีมาถึงแล้ว ลอยถาดทวนกระแสน้ำพระองค์ก็ได้ไปรอยถาดถาดก็ลอยจะทวนกระแสน้ำจริงๆจากนั้นพระ อ, องค์ก็มั่นใจว่าโกองจะได้บรรลุระดับชั้วธรรมแน่นอนจุดที่สองในขณะศึกษาตรงที่พระพุทธงค์ตั้งจิตอธิษฐาน่าข้าพเจ้าจะนั่งดูที่โคนตรงโพเนีอาชนานี้กจะไปลุกโดยเดขด ถึงเนื้อหนังมังสาจะดุ ด, ด้วยทําหลายไปจย่าไไรก็ตามข้าไปเจ้ า, จาเมื่อไม่ได้ตัดสู้ทำไม่ได้รู้ธรรมเห็นทําแล้วข้าไปเจ้าจักไม่ลุกจากอาสนะ น, นี้โดยเด็ดขาดอันนี้ก่อนาศึกษาอีกเหมือนกันแสดงว่าพวกเดเจ้าของเราเด็กเดียวขาฐานจริงๆถ้าจะเปรียบเทียบเป็นตัวอย่างของพวกเราพวกเราน่าจะถือเป็นตักเชียวหนึ่ง แต่ข้าพเจ้าจะนั่งสักสองสามชั่วโมงหรือข้าพเจ้าจะนั่ขนาดไหนสิ่งตัวนี้ก็น่าจะนำมาปรับปุงนมาใช้สาหรับพวกเรานดผมว่านะจะเกิดประโยชน์สำหรับเราในการประพฤติปฏิบัติไม่ใช่ว่าทำพอ ร, รลอ ก, กแต่เรียกรวบไปเรืบอยวันแล้วก็มองต่ผลผลมันจะเกิดขึ้นมาได้ยังไงเพราะเหตุมันไม่สมบูรณ์ แต่ถ้าว่าพวกเราปฏิบัติไปแล้วมันสมบูรณ์เหตุมันสมบูรณ์ผลก็ต อ, ออกมาสมบูรณ์อย่างที่พระพุทธเจ้าที่ท่านไดขนาดตั้เพนมาเท่าไร่กี่อสุขัยจางพระพุทองค์ตัดชิ้นใจแต่ละครั้งเป็นอย่างไงตัวมากไม่แต่เด็ดขาดเด็ดขาดทั้งนั้นเลยเพราะนั้นพวกเราเด็ดขาดกับอะไรบางขอให้พวกเรามองดูตัวเอง พวกเราทุกๆทน่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระให้มองเข้ามาดูใจของตนเองเราดเด็ดขาดกับอะไรเราเด็ดขาดกับเชื้อกั บ, บนอนกับาการดูการกินอย่างนั้นใช่ไหมการอ่อนแออ่างนั้นใช่ไหมการพูดการคุยอย่างนั้นใช่ไหมการฟุ้งซี้ตีมุมอย่างนั้นใช่ไหมเด็ดขาดอย่างนั้นใช่ไหมถ้าเด็ดขาดอย่างนั้นจะแปลว่ารเราไหลไปในทางตับ พู้ได้เจ้าเราศึกษาดูเชียวท่านติดขาดทางนั้นเพราะนั้นพวกเราทุกทุกท่านที่พูดทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อเป็นแนวศึกษาให้พวกเราได้ศึกษาได้ฟังแล้วก็ได้นำสิ่งตอ น, นั้นมาคิดมาพิจารณาแตาว่าพวกเราได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้ศึกษาดีทำให้มั่นใจว่าหลวงพ่อพูดถูกหรือผิดอย่างไร ใ, ให้พวกเราไปค้นความศึกษาดู พับทำคำสั้งสอนของพระพุทธเจ้าพุประวัตินั้นเป็นหน้าที่ของพวกเราจะต้องศึกษาจะต้องฟังเพราะท่านเป็นบรมมุขครูเป็นต้นศาตราเป็นตนพระพุทธศาสราพวกเราจะต้องยึดแนวแถวของพุทธบรมมุขูเป็นตัวอย่างไม่เอาคนอื่นเป็นตัวอย่างเอาบรมมุขูเป็นตัวอย่างจากนั้นถึงจะได้มากน้อยอย่างไรแค่ไหนก็นจะเป็นผลดีสําหรับพวกเรา เชื่อมันจะมีสัทธาแลความเชื่อมัน่ า, า, นาพระพุทเจ้าท่านได้ตัดฉลุทอย่างไงท่านเป็นรุตุไหนอย่างไรอย่างนี้เป็นต้นด้นั้นต่อมาพระาพแต่วง้าพเราได้่านได้ศึกษาแล้วก็าศึกษาอย่างมากแต่ลวงท่านก็พุธปฏิบัติอย่างไรท่านจึงได้สาเร็จมรกสําเร็จผ น, นีอันนี้ก็าศึกษา แต่เมื่อไม่นานมาได้โยงผู้ปฏิบัติธรรมท่านก็มาถามอีกเหมือนกันน่าฟังอันนี้ผู้ปฏิบัติทรรชุดท้ายปลายลำเป็นโยงแต่ท่านปฏิบัติธรรมาเป็นสิบิียี่สิบปีท่านก็มาถามท่านก็มาเล่าให้ฟังไม่ได้มาถามมาท่านมาเล่าให้ฟังแนวทางปฏิบัติของท่านท่นวันนี้นะ านามาหลายครั้งหลายหนแต่มา้เมเื่วานเนี่ยเมื่อคืนเนยผมได้พิจารณาถึงการเป็นอยู่ของเกิดแก่เจียจตายของมนุษย์ชาติท่านบ้าง น, นแะแต่ท่านกุมติเดียนทางป ร, ริยัดมาก่อนแต่ท่านเรียนต่างความเป็นจริงถ้าฟังดูแล้วเราฟังดูแล้วก็น่าฟังของท่านท่านบอกว่านคนเราเกิดมาจากไห น, น ถ้าจะว่าไปแล้วที่ท่านพูดในหลักธรรมก็ว่าปฏิจจสมุปบาทแต่ว่าท่านบอกว่าการเกิดของมรุปกอสับปะสังปะเราเกิดมาจากอะไมันรับแรกพอแม่ดูด้วยกันแล้วก็มีการผสมเชือจากงันบิญญาณคือใจเข้าไปยึดครองในเมื่อเป็นก้อนเนือ้อปฏิชนที่ขึ้นมาแล้วเป็นก้อนขึ้นมาแล้ว แต่เป็นปัญจสาขาอนึ่งพวกเราทุกคนเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นถึงจะพูดจะไปพูดก็ตามจะพูดจริงก็ไปจริงอย่างไรก็ตามมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนั้นในเมื่อเกิดขึ้นมาเป็นก้องขึ้นมาเป็นปัญจสาขาตื่นมาคือขาสองแขนสองสีสับหนึ่งตัวปัญจตวหาจากนั้นวิญญาณก็เข้าไปยึดครองท่านท่านเราด้ยฟ ตามไม่จริงเราไม่ได้สร้างสังคารเราไม่ได้สร้างร่างกายร่างกายในพ่อแม่เป็นคนสร้างให้แต่เราเข้าไปย็ดครองเขาไปถือไปย็ดครองร่างกายจากร่างก่อพอบิญญาณเข้าไปไปยึดไปครองแล้วก็ร่างกายก็กรดุกกดิกได้เพราะว่าวิญญาณเข้าไปคองร่างกายจากั่างก็อใหญ่ขึ้นมาตามมำบากจนถึงคลอดออกมาเป็นผู้คนจากนั้นเมื่อ พอออมาแล้วพอรู้เตียงสาภาวะพ่อแม่คยประครบประมเนเลี้ยงดูลูกของทจากนั้นเราก็ได้ช่วยตนเองแต่งขาวโดยตนเองอาบฟ้าโดยตนเองจากนั้นเราก็ได้ดูแลร่างกายขอ ง, ของเราเองถ้าจะเปรียบเทียบให้เห็นอย่างชัดเพเรามาได้สร้างเราไมาได้ตั้งโรงงานสร้าง ไื้อลบที่เขาสร้างเส็จแล้วเป็นรูปอาคขึ้นมาแล้วเราพอไปยึดของเราไปขอจากนั้นเมื่เมื่อเราได้รถแล้วเรากามาใช้เมื่อใช้น้ ม, นมันหมดเราก็เติมน้มันน้มนหมดเราก็เติมน้ยาราก็เติมยางคือดูแลถคันนั้นตามความสามารถของแต่ละคนที่ได้รถมาแต่บางคนก็ใช้รถ ไปช่วยแชไปหน่อยนักไปหน่อยแต่บางคนก็ใช้รถเกิดความสนุถนมอันนี้ก็เหมือนการร่กายของคนเราลยเหมือนกับรใจของเราเลเหมือนกับคนเจาของของรถใช้รถกับความทนุถนมแต่ถึงยังไงต่อมาต่อมาเจาของของก็เทีรถคั น, นั้นเป็นของตัวเ ของเราจริงๆว่าจะไม่เกิดไม่แก่ไปเจ็บไม่ตายเพราะเกิดจึงมีความโรคอยากจะมาเอามาให้ร่างกายทั้งหมดมีเท่าไรพาใครดูถูกเย็ดยังกรดไม่ให้เขามาดูถูกเย็ดยังการเป็นรูปของเราแล้วก็หลงร่างกายว่าจะเป็นของเจริญยั่งยืนอายุยืนนานเดียรอ น, นี้ท่านก็พูดให้ฟังวันนี้ ลักษณาย่างนี้คือใจมันหลงแต่ตัวที่มันหลงเพราะอะไรเพราะออกมาจากตัวไหนท่านกว่าวออกมาจากตัณหากามัตตนาภวตนาวิภวตนาอันนี้คือตัวหลักตังหาคือความทยานอยาถ้าจะว่าไปแล้วตัณหาจะคือกามกิเลสเป็นตัวใหญ่ทีเดียวกิเลคือราคะโทสะโมหะกิเล คือเป็นราอย่างรกของตอนไม้แต่โทรศัพท์เหมือนกันทวันปกป้องถ้าว่าได้อย่างใจนะก็เป็นที่พอใจถ้าไม่ได้อย่างใจโทรศัพท์ก็หมกป้องไปราาักของตัวเอ ง, องใจสรุปแล้วก็คือใจของเราเนี่ย มันติดพันด้วยกิเลพราคากระกตุสสะแต่มันทําไมมันจึงเป็นอย่างนั้นพโมหะคือความลงลงว่าร่างกายเป็นของตัวตนร่างกายเป็นของเราชับชงมัดเป็นของเราพี่น้องเพื่อนฝูงเป็นของเรายาติสามีปรรยาเป็นของเราวัดวาศาสานาเป็นของเราแต่ตามไปยิงร่างกายขระดร่างกายตั้งแต่หัวต้นเท้าก็ยังไม่ใช่ของเรา เราเข้าไปย็ดครองอยากจับของแม่ของเราก็คือเข้าไปยึดครองแต่นั้นเองมันไม่ใช่ของเราเราเพียงแไปยึดครองจากนั้นร่างกาก็แกแกแล้วก็เจบเก็บก็ตายตายแล้วก็ไฟทิ้งใจตรงนี้ก็ออกไปปฏิชนที่ที่เอือดิบเมื่อมันหมดสภาพแล้วก็ไปมาไปก่กำเนิดเกิดอีกอย่างกานะึ่ง่อไปขอขอปฏิชนที่แต่ว่าเราเป็นผู้มีบุญ ในขณเที่เราอยู่ในร่างกายนี้เราก็ทำบุญสร้างบุญสร้างกุศลบุญกุศลมันเกือบบ้อคุนหนุนเราอาจจะไปเกิดในภพภูมิที่สูงขึ้นแต่พพภูมิที่สูงขึ้นมจะเป็นเทียบไปเจ้าเราเทวาปยินพระผมที่ไหนก็ตามก็ยู่กันอยู่ในวัฏฏบุญคือจะต้องหมดอายุคือเกิดเกิดแก่เ ก, เกิดตายอยูในวัตฏบุนี้ไม่ได้ออกนอกจากวัุนี้ไปได้ เพอย่างไรเพราะมันอยู่ในกรอบของกิเลธที่ราคาโธสะมบูหะมันจะบกพร่องเวียนอยู่ในจิตใจของมนุษย์ชาตินนนีี่หละออนนั้ก็คื เพราะจะต้องเอาไปเผาไปทั่วๆไปจอีกไหมถ้าเราพิจาราเห็นอย่างนั้นเราก็ยอมรับว่าใช่กิเตสราคะโทชาโมหะที่มันมีอยู่ในใจมันก็หมดหายไปเพอย่างใดเพรรู้จริงมันจะเกิดขึ้นมาได้อย่างไงเพราะว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆร่า ง, งกายไม่ใช่ตัวตนของเราอีกสักวันหนึ่งจะ ต, ต้องตายก็ต้องเ ส, สียชีวิตนำลงไฟ จิเลตตัวนี้มันก็โผล่ขึ้นมาดันตัวนั้นลงไปมันขึ้นมามันเห็นสิ่งไหนมันก็เป็นของช่วยของงามนารักไทยชอบใจสิ่งไหนก็เป็นเรื่องสีสิไลไปทั้งหมดจิเลตตัวนี้ขึ้นมาค้องหัวใจในเมื่อค้องหัวใจมันก็ทำหน้าทีของมันใช้ร่างกายนี้อย่างเต็มที่ของมันพอจากนั้นพะมันถอยออกไป ใจที่เป็นทรรมก็โผล่ขึ้นมาอีกตาม้งทำไมเราก็พิจารณา เ, เรื่องว่าร่างกายชังขันมันไม่ใจตัวตนเราทําไมมันขึ้นมาอีกอย่างได้อีกมันเป็นเพราะอะไรในถ้าว่าผู้มีธรรมในใจจะต้องค้นคิดจนถึงตึของมันมาเราให้ความสำคัญทั้งสองเงื่อนคือราคาคือความช่วยนำและสุภาสุภาและสุภาทั้งสองเงื่อนมันออกมาจากใจ ใหของเราให้ความสําคัญถ้าเราไม่ให้ความสําคัญสิ่งนั้นมันก็ไม่สําคัญถ้าเราให้ความสําคัญเมื่อไหรสิ่งนั้นก็จะต้องชูขอสําคัญขึ้นมาเหยียบยั้งคิตใจของเราเมื่อนั้นเพราะนั้นเรารู้เงินทั้งสองเงินแล้วแล้วก็ปล่อยวางทั้งสองเงินปัดสิ่งทั้งสองเงนไม่ใช่ตัวตนของเราจะทำมาขอปล่อยมันก็จะหลับทิ้งในเมื่อหลับทิ้งมันจะนิ่งใจผือสบายเพราะมันรู้เรว มันเป็นฟองเมื่อออมาจากใจที่ได้ท่านก็ถามท่าก็พิจารณาไอีกว่าอย่างคนที่เรารกเคยรักเคยรู้จักบักคุณแต่เขาทาอะไรขึ้นมามันก็ยังมีอยู่ในใจเลือดแต่ก็ไม่ถึงกับรไม่ถึงกับเกลียดไปถึงกับชงอะไรแต่ในใจนั้นก็เป็นสารัสแต่ว่าดูๆแล้วมันยังมีอะไรอยู่เลือด แต่ใ้เป็นการมจ่อคิดมันไม่ใช่ความพอใจและความไม่พอใจมันมีอยู่แน่นอยมันเหมือนกับอะไรขึ้นมาผลขึ้นมาแล้วพอพิจารณาเมื่พิารณปล่อยวามันก็หายมันก็เบาไปแต่ตอนนี้มันก็ไม่ใช่ขึ้นมาบนแต่มันก็มีและจะแก้ไขยังไงในจุดนี้แต่ในจุดนั้นมันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วอันนี้นรไเรียงมาจกลงพอบอกเนี่ยในจุดที่มัน ฟูขึ้นจุดที่มันจมลงมันฟูขึ้นและจุดที่มันฟูขึ้นและจมลงทราบจะว่าไปนั่นคือมันเรมองมันขณะที่มันจมคือมันเศอมองที่มันฟูฟูขึ้นคือคอมันพองใสทั้งเศรมองและองใสมันเกิดขึ้นย่าหัวใจลึกถ้าเราใช้สติใช้ปัญญาอย่างละเอียดถีทวนจะวมหสติมหาปัญญาพิจารณาจดดูจุดนั้นดูจุดนั้นให้ดี คือจุดที่มันเกิดขึ้นตัวที่ฟองฟูงขึ้นแล้ก็ตัวที่มันต่ำลงใมันหุดนิ่งคือทั้งสองเงื่อนมันก็เป็นอนัตตาเหมือนกันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันคงจะปล่อยวางที่จุดนั้นให้พิจารณาดูสิว่าจุดนั้นจะเป็นจุดที่ที่เราจะต้องสลับตักทิ้งปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมันถ้าเมื่อเราพิจารณาจุดนั้นแล้วนั่นแหละเมื่อรู้แจ้งเห็นจริ ง, รงขึ้นมาแล้วมักแ ล, ล้วคน ยึดมันถือมันแล้วมันอะไรมันจะเกิดขึ้นมันฟูมันก็ไม่ฟูมันจมมก็ไม่จงมันก็เป็นขมันเองไม่ยึดมั่นถือมั่นนี่แหละมะของพระพุทธเจ้าถ้าพิจารณาดูแล้วมันมักหลาอย่างนั้นอันนี้หลงพอก็ได้พูดไปสนทนาปรรกกันให้แก่ทางฝังท่านก็เป็นที่เข้าใจเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้อยากจะให้พวกหมูพวกเพื่อนพวกวงพิจารณาดูให้ดีธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นจริงจริง เราให้ความสำคัญมันจริงสำคัญทั้งสุภาพทังอสุภาพไทยเราให้ความสำคัญทางสุภาพความช่วยงามเราให้ความสำคัญเข้าไปร่างกายได้โปรดสำคัญช่วยงามขึ้นมา ท, าทันทีแต่เราให้ความสำคัญบาดร่างกายได้เป็นอาจารย์ผู้ค้านาตาดินน้ำลมไฟอสุภาปฏิกูลไม่ให้ความสำคัญมันมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆ ร, ริงใช้ข้อรองโด้ท้เห็นตางความเป็นจริง แต่เมื่อมันเพลอเมื่อไหร่ชูภานความสวยงามมันจะวิ่งเข้ามาพอวิ่งเข้ามามันจะกดตัวอสุภาลงไปชูภาในก่อนเด่นนานทำหน้าที่ของมันในเมื่อทำหน้าทีแล้วเมื่อเราเอาทรมมาขึ้นมาพิจารณาเห็นทามความเป็นจริงขึ้นมาอสุภาขึ้นมาทำขึ้นมาชูภาในนั้นหลบตรงปลายอิบนี่แหละมันต่างจากธรรมะอย่างอื่น เพราะนั้นให้พวกเราพิจารณทั้งสองเงือนมันดูออกมาจากใจทั้งหมดมันออกมจากใจใจให้ความสาคัญทั้งสองเงืนทั้งสุภาพลสุภาพเพราะนั้นาเรารู้เห็นตกนี้แล้วเราก็ปล่อยวางไม่ยึบมันทั้งสองปล่อยวางปล่อยวางคายไม่ยึดมันคือมันน่แตามไม่จริงมักผลในผ่านหรือพราะทางคำ ส, งสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้ดูที่อื่นไปที่พระพธเจ้าสอน สารุษิตผบริษัทของผมคือจุดนี้จุดทีจะรู้แจงเห็นจริงที่จะปล่อยวางลุพ้นจากอาสวัจจิเรตรวคตรหลงไม่มาเปนี่ยไหวยตยเกิดคือให้จิตใจออกจากปัจบุงตอนของกไม่เอ็เปลี่ยนไหวาตายเกิดในปัจจุบุงสร์คือออกจากปงตอนไม่ให้เี่ยนไหวถถ้าอยู่ในจิเรตราคาโทฉะมแล้วมันจะอยู่ในการเปลี่ยนไห ่ะทำไห้พวกเราออกจากวงจรเข้าชูแดนอำนาจธาตุอนาจธรรมนอกเนอือจากวัตถุสงสารแดนต่อิมคือพ้นถูกไม่ยึดมันถือมันทีเรียกราคาโทษาโมหะออกจา ก, กจิตจักใจไม่ยึดมันถือมันทั้งสองเงื่อนอย่างที่ว่าดีกับชั่วบาปกับบุตายกับเกิดชอบหมอปองใสมันอยู่ในใจของเราทั้งนั้นถ้าเรากาหนดดู เข้ใจเห็นจริงในจุดนี้แล้วเมื่อหายคายลุพลน้นจอาจสวัสดิเทงหลายทังปวงเพราะนั้นพวกเราทุกๆท่ก่อนที่จะมาถึงจุดนี้ได้กด็เริ่มตั้งแต่สมาธิการเป็นอยู่เรื่องสิน่นเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาเรื่องเบืงแกคือเชื่อในรพระพุทธเจ้าพรพุทธจาพาดเนินอย่างไรท่านเดขาดอย่างไรที่พกุทิจ้าจะได้ออกจากเพียงวังในคืนนั้น พร ะ, ระองค์มองดูแล้วเห็นแล้วว่าปลย า, าเราจะไม่มุกเวียนกลับมาอีกแน่นอนอันนี้คือความเด็ดขาดของพระองคขันนั้นจากนั้นพระโพธองค์ได้นั่งสมาธิในโคนตนรงโพเขืนที่ถักฉลุธ ร, รพระองค์น้อยธาตุ น, นั้นพระองอวาเนื้อหนังมังสาจะขาไปยังไงก็ตามจากไม่ทุกจากอาสนะแน่นอนเด็ดขาดนะอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งทลุธรรมก็คือขันติคือความอดทน คือเชื่อทุพกพรองเชื่อในแนวทางขององเองว่าเป็นถูกเดินมาถูกต้องถูกทางแล้วจากนั้นก็ความเด็ดขาดคือขันติคือความอดทนวิกริยความเพียรปัญญาครอบรู้ไตรตรองเหตุและผลไยด้วยกันรั้นพวกเราอันดับแรกก็คือปลูกสัทาเชื่อในพระธารมคำ ส, สอนของพระกุทธเจ้าจากนั้นทกพุทธเจ้าปฏิบัติอย่างไรท่านทำอย่างไรท่านพิจารณาอะไรท่านรู้เหอย่างไร ก่อนที่ท่านจะเห็นทําอย่างไงท่านนั่งสมาธิกําพรดองค์หายใจเข้าออกในคืนวันนั้นจิตของพระองค์เข้าสู่ความสงเกิดญาณทัศนะนี่แหละจากนั้นก็เห็นตามความเป็นจริงท่าจะว่าไปแล้วพระองค์เห็นปฏิจจสมุปบาทเคลีรวิชาปฏิยาสังขาราสังขาราปฏิยาวิญญาณนั้นแต่ที่ผมพูดที่คุณโยมท่านทำท่านจะว่าไปแล้วจะพิจารณาปฏิจจสมุปบาท ก็ไม่น่าจะผิดเพราะมันเข้าโรงขายและเข้าเรือขายนั้นถึงจะท่านจะไม่พิจารณาตัววิชาแต่ท่านพจาณาตัวที่ว่าการเกิดของมนุษย์ชาติการเกิดของสรรสัเข้ามาหยุดเขา อ, อย่างไรถ้าจะว่าไปแล้ท่านก็เมือ่อเราจับตนไม้จับตนที่จับใบม่ จ, จับจริงก็คือต้นไม้ต้ น, นั้นอันนี้ก็เหมือนกันพิจรารณาตรงไหนก็คือมันอยู่ในโงขายและเรือขาย การเปลียนว่ากายเกิดในบัตตะสงสารคือร่างกายของเรากายกับใจเท่านี้ไม่เป็นอ ย, าอย่างอืกายกับใจเท่านั้นถ้าเราจะรู้ก็คือรู้กายเห็นกายแต่ส่วนจิตใจนะั่นคือนามธทําตัวนามธรรมนั่นแหละจะไม่จะรู้แจงเห็นจริงจะเบืนายคลายรุ่นล่จะอาสวัตทิฏฐิทั้งหลายทั้งปวงคือใจในหลักของพุทธศาสานาพระพุทธเจ้าเน้นหนักทนเหนักเรื่องใจกายเป็นใหญ่กาเป็นหัวหน้า สำคัญยิ่งที่สุดคือใจเพราะนั้นพวกเราทุกท่านที่นำทำคำสั่งสอนมาก็เพื่อปฏิบัตินั้นให้ดูก่อนที่จะดูใจได้ต้องจิตต้องเป็นสมาธิถ้าจิตไม่เป็นสมาธิจะเห็นใจแต่เรื่องลางผลในชุดก็เรื่งางหายไปหรือมีแต่สับพงกมกันมันไปไหนเราก็ไม่รู้ตัวเองก็นั่งุุไม่เห็นใจอตัวงไม่รู้ว่าหายไปไหน สมาธิของเราดีเราจะเห็นได้วากิตขอเราอยู่ในขณะนี้เดียวนี้ดูอย่างไงในเมื่อเราสติของเราทันสมาธิของเราก็ดีขึ้นตงสติเป็นเบื้องต้นก่อนที่จะเป็นสมาธิได้ต้งสติสติเป็นเบื้องต้นเมื่อจะติดดีแล้วสมาธิก็แน่นหนามันคงขึ้นเรื่อยๆ เ, เมื่อสมาธิดี ปิจรารณาใจตรงเหตุและผลก็เห็นรู้เห็นตามความเป็นจริงพียรละกุาลก็เห็นพิจรารณาในกลางทูกขันาตาเห็นทั้งนั้นถ้าสมาธิขอเราินแต่ถ้าสมาธิของเราไม่ดีไม่เพียงพอกลังไม่พอพิจรารณาอะไรมันเื่อนเล่านลาแลไม่ฉุดเดนเพราะนั้นการประคุธปฏิบัติธรรมอันดับแรกก็คือเรื่องศีลสมาธิ ป, ปัญญาไม่มีจะกันี้สรุปเลยก็คือมรรคแปดตนเง สมาธิสมาสังกปูนจนถึงสมาธิีมักแปดเลย น, นที่จะเดินกระชูมกนนักผลนิพพานเนี่ยทำคำสั่งสอนของตบุตรได้จากการพูดการแสดงธรรมวันนี้ก็เห็น ม, กนมากสุขควรกับการนิราควรติในการพูดเปลี่ยน่านี้ตอานี้ไปนั่งสมาธิ